ความที่หินธรรมและอิงธรรมผิดกับความหิ้และความอิงในสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับจิตคำวมาจิตหินธรรมนี่เราก็แยกออกมาพูดคือจิตพอใจในธรรมมีความบูดดื่มอยู่กับธรรมมากน้อยเพียงไรย่อม ที่งมีความสุขมากน้อยเพียงนั้นไม่เหมือนเรามีความดูดดื่มกับสิ่งอื่นซึ่งเกื่อไปด้วยความทุกข์แฝงกันไปในขณะนั้นความอิ่มทาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกท่านเรียกว่าปีติคือความอื่มใจ ปีติ น, นี้จะมีไปเรื่อยๆตามขั้นแห่งธรรมถ้าทําติตใจละเอียดปีติก็ละเอียดติตใจห ย, ยาบยังหยาบอยู่ปีติแสดงขึ้นก็หยาบบางลายก็ท่านที่เรียกว่าอุเพนคาปีติคืออย่างผ่าผลก็มีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนิสัยไม่ใช่เราจะปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นได้ กานแนะนำสั่งสอนบรรดาท่านผู้มาอบรมศึกษา ไ, า, าไม่ว่าทางพระไม่ว่าข่ายฝ่า ย, า ย, า ย, ายมีความมุ่งหวังอย่างเต็มใจอยากให้ได้อยากให้เห็นอยากให้รู้ในธรรมทั้งหลายเพราะความรู้ความเห็นความได้ธรรม ผิดกับความรู้ความเห็นความได้สิ่งอื่นใดในโลกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านแสดงอัดทรรมยิ่งแสดงธรรมขั้นสูงเท่าไรลักษณะสูงเสียงหรื อ, อเมื่ออัดเมื่อทำจะมีความเข้มข้นเป็นลาดับลาดับจนถึงกับอาจชิดได้ว่าท่านอาจมีโทสะหรือมีอะไรไปทำนองนั้น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 เป็นสิ่งที่เปิดเผย อ, อยู่ตามความจริงของตนทุกทุกสภาวะธรรมไม่ว่าภายในร่างกายของเราอิตใจของเราที่แสดงตัวออกมาต่างๆ ต, ตลอดถึงสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนพรา ะ, ะ น, นัความรุ่มหลงที่จะไปติดในสิ่งต่างๆจึงไม่เลือกการสถานที่มีความคิดได้ตุ่มได้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 ด้วยกันจึงคิดได้ติดได้ด้วยกันทั้งนั้นอันเรียกว่าธรรมนั้นเปิดเผย อ, อยู่ตลอดเลยล่ะนอกจากสติปัญญาของเรายังไม่สามารถที่จะทราบความจริงหรือเปิดจะเปิดเผยความจริงนั้นออกมาด้วยอํานาจของสติปัญญานี้เท่านั้น <c oughs> จึงเป็นลักษณะนุ่มๆ ด, ดอนๆวันนี้ภาวนาเป็นอย่างนี้แต่วันนั้นเป็นอย่างนั้น ไม่สม่ำเสมอบางวันไม่รู้เลยบางวันมีความสว่างสวยบางคาันบางวันมีความสงบเย็นใจเพราะจิตขั้นนี้เป็นขั้นลุ่มรุ่มดอนดงยังไม่สม่ำเสมอเรียกว่าตั้งตัวยังไม่ได้ก็ต้องมีได้บ้างเสียบ้างเป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามเราไม่ต้องระเจ้ออกใจกับ ก, การได้บ้างเสียบ้างเพราะเป็นการเริ่มแรก จิตของเรายังตั้งตั้งตัวยังไม่ได้แน่นอนยังยังไม่ได้ถนัดก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันแม้ครูอาจารย์ท่านที่เป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนพวกเราท่านก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วไม่ใช่ว่าปุับปับก็จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ปัจจุบันทันทีแล้วเป็นครูสอนโลกได้เลยอย่างนั้นที่ดูตั้งแต่พระพุทธเจาา้าพอถึงหกพันปา อย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าแน่เชนั้นก็เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นด้วยความอุตสาห์พยายามตะเกียบตะกายทุ่มดาบซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกองทุกข์ท้าความเปลี่ยนทั้งนั้นมาตลอดเวลาหกปีจะไม่ลำบากลำบนอย่างไรถึงขนาดสลบทะไหลนี่เราผู้เป็นลูกศิษย์ของท่าน ก็มีความหนาบางต่างกันตามสิีมิสัยืออุป น, นิสไสของคนเช่นเดียวกับน้ํามีอยูในพื้นดินนี้น้ํามีขุดลงไปก็เจอแต่ว่าลึกอื้มต่างกันเท่านั้นบางแห่งก็ขุดลงไปไม่กี่เมตรก็เจอน้ําบางแห่งขุดลงไปก็จนลึกแสนนึกถึงเจอน้อํากลมไอเรื่องเจอน้ํานั้นเจอ พอแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยน้ำทำไมจะไม่เตอันนี้เรื่องความจริงมีอยู่ทุกแห่งทุกหนแต่สติปัญญาของเราจะสามารถอาจรู้ได้เพียงไรนั้นย่อมมีต่างกันเกี่ยวก็เรื่องอุปนิสัยการปฏิบัติจริงยากมีง่ายต่างกันดังที่ท่านสอนไว้ทุกขาปฏิปทาทัานทาปิญญานี่ประเภทนี่ ทั้งปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้านี่ประเภทหนึ่งนะสุขาปฏิปทาคิดปาปิญญาปฏิบัติลําบากแต่รู้ได้เร็วอประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งสุขาปฏิปทาคิดปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วนี่สุขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้า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 อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตะเกี่ยรติการไปตามความสามารถของเราตามวาสนาของเรานี่เราถูกในจุดที่ว่าน้ําอยู่ลึกเราก็ต้องขุดลงไปจนกระทั่งถึงน้ําถ้าเราถูกตาหน้าตื่น แล้วก็ขุดได้สะดวกแล้วก็ถึงน้ำได้เร่วเรื่องศัจธรรมนั้นอ่ะมีอยู่ตื้นๆเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ความรู้ความเข้าใจาความสามารถของเรานั้นอาจจะกำลังยังไม่พอซึ่งพอจะขุดค้น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 เป็นทางที่จะพยุงเราให้มีความเจริญโดยลําดับการปฏิบัติเราจะไปคาดวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นซึ่งจะทําให้เรามีความท้อถอยก่อนแช่แล้วก็ท้อใจและหมดกําลังใจไปด้วยเมื่อหมดหมดกําลังใจแค่ยอย่างเดียวเท่านั้นความภาคเทียนโดยวิธีต่างๆนั้นจะลดลงไปโดยลําดับจนกระทั่งไม่มีความท่าเทียนเลย มีไม่ใช่ของดีเราจริงระมัดระวังเรื่องความผิดที่จะเป็นภัยต่อการดาเนินของเราเราตั้งหน้าเข้าสู่แนวรบอยู่แล้วด้วยกันตั้งหน้าที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นค่าสิกอยู่แล้วด้วยกันมีความภาคเกียนเป็นทัศนคติกลังอยู่แล้วด้วยกันทำไมเราจะเป็นคนนอกบัญชีไป บัญชีมีอยู่กับการกระทาของเราอยู่แล้วเวลานี้บัญชีเพื่อความรู้แจ้งแหงจริงเพื่อความปลดเครื่องทุบไปโดยโดยลำดับลาดับดูกับการกระทาของเราซึ่งกระทำอยู่ทุกวันทุกเวลานี้เราเองจะเป็นผู้รับรองหรือเป็นผู้ประกันตัวของเราโดยอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมีอพิสูจหรือพิจนท่านไในมอบให้แล้ว เป็นหน้าที่ของเราจะเข้าสู่แนวรถเมื่อได้อาวุธไม่ใช่หน้าที่ของผู้อื่นใดที่จะทำหน้าหน้าที่ในกา ร, รด้วยเครื่องมือที่ได้รับมาแล้วนั้นทุกเพียงไรก็ให้ทราบทุกเพราะความเพียร ไม่ใช่ทุกที่เสียประโยชน์ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทรมานอย่างการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ไม่พิจารณาให้เป็นอัปเป็นธรรมนี้เราพิจารณาอัปธรรมอยู่แล้วทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยก็ให้ทราบไปในตัวว่านี่คือสัจธรรมต้องเป็นคู่เคียงไปกับความเพียรของเราคนมีความเพียรมีคนมีสติมีปัญญายอมจะทราบเรื่อง ต่างๆที่ปรากฏขึ้นกับตัวได้เป็นอย่างดีมีทุกขศาสตร์เป็นต้นเราอย่าไปท้อถอยในเรื่องความทุกข์อย่าไปอ่อนใจในเรื่องความทุกข์การอ่อนใจในเรื่องความทุกข์คืออ่อนใจต่อการประพฤติปฏิบัติคืออ่อนใจต่อทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ของตนซึ่งไม่ใช่ของดีเลยทุกมากทุกน้อย ในขณะที่ปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่กาลังบังชาของเราจะปุตค้นหเห็นความจริงของทุกทุกด้านจะเกิดในด้านใดส่วนใดของอริยวะของร่างกายหรือจะเกิดขึ้นภายจิตใจก็เรียกว่าทุกขเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้จะเห็นจริงเห็นแจ้งกันด้วยสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรของเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น ที่จะฝุดก้นความจริงที่มีอยู่เหล่านี้ให้เห็นได้อย่างประจัดจนกระทั่งต่อยวางกันได้เรียกว่าหมดคดีเกี่ยวข้องกันครูวาจามที่ท่านพาดำเนินที่ท่านดาเนินมาแล้วมาสอนพวกเราองค์ไหนที่ปรากฏชื่อลือนามว่าเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนพระเ น, นินั่งมากรู้สึกจะท่านจะ เป็นพระที่เดินตายมาด้วยกันไม่ค่อยจะอยู่ธรรมนาพำป ม, มเพนธรรมดาแล้วได้รู้ขึ้นมามาเป็นครูผู้ใหญาจารย์ของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเด็กก็เป้นคนเดินตายมาด้วยกันทั้งนั้นท่านเวลาที่ท่านไปบําเพ็ญเราไม่รู้ไม่เห็นท่านไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างไรทุกจะไม่ทุกยังไงจะอยู่ในป่าในเขา ไม่มีบ้านมีเรือนอาศัยปืยนถ้าบาทเขากินเป็นวันเป็ น, นลักสถานที่อยู่ทางที่ไปปัจจัยที่เป็นเครื่องอาศัยเป็นจริงที่อาศัยโลกทั้งนั้นองค์ท่านเองมีแต่บาทบาทก็บาทเปล่าๆถ้าสามผืนคือไตรจีวรสบงจีวรสังคาติและถ้าอาบน้ำเท่านั้น แล้วความที่ไม่มีอะไรเป็นของตัวต้องอาศัยคนอื่นทุกทิ้นทุกอันเชน่นนี้จะหาความสะดวกสบายมาจากไหนท่อเรื่องของท้าต้องเป็นเรื่องสม่ำเส ม, สมอต้องเป็นผู้อดผู้ทนจะหิวจะกระหายจะลำบากลำบนแค่ไหนต้องอดต้องทนเต็มความสามารถด้วยความภาคเพียรแห่งสมณนะหรือแห่งศาสกยบุตรทีู่ปท ถ, ถาพจ เวลาทําความภาคเทียนก็ไปพุ่งกับเรื่องความเทียนการแก้ที่หดียต่อสู้กันกับพิเดียรตระเพืต่างๆเพราะพิเดีตบางตระเพืก็ผ่าผลมากเพราะเคยอยู่บนหัวใจของเรามาน่ะเราจะกดเขาลงอยู่ใต้อํานาจนั้นย่อมเป็นของลํำบากไม่ใช่ใ น, น้อยๆเราเองก็ยังไม่อยากจะปดเครื่องเขาถือว่าเขาดีอยู่แล้วเนี่ยในหนักลื่น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 นอนพิจารณาอยู่นั้นเช่นเดียวกับนั่งพิจารณาท่านจึงเรียกว่าเจดีนี้สายต่างกันบางองค์ชอบภาวนาดีในในเวลานอนเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งต่างตต่าต่างางงกันๆกันอย่างนี้ตามเจดีนีสายแล้วความภาคยันทุกประเทศเป็นเรื่องที่จะถอนจะถอนจะขุดจะคนจ้นกิเลส ออกจากจิตใจของตนจะเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องเบาๆาสบายๆได้อย่างไรต้องทุกข์ต้องลำบากความนะก็เหนียวความเกลียดก็เหนียวความโกรธก็เหนียวขึ้นชีวะที่เล็เนี่ยแล้วเหนียวฝังลงอย่างลึกลงถึงขั้วหัวใจเราจะถอดถอนได้ไง่ายๆเมื่อไหร่เล้วฝังมากี่ขับกี่กันฝังอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลก การถอดถอนสิ่งที่ฝังจมอย่างลึกนี้ต้องเป็นของยากเป็นภาระอันหนักไม่ใช่น้อยเมื่อเป็นภาระอันหนักความทุกข์ก็ต้องมากไม่ว่าจะจกิเลสประเภทใดก็ตามมันออกมาจากลากเงาเข้ามูลของมันคือหวัวใจฝังอย่างลึกด้วยกันทั้งนั้นเพราะฝังจมกันมาน่ะเราต้องใช้ความพยายามแต่การกล่าวทั้งนี้อยากคาดทะเลว่าเรานี้ยิ่งลึกกว่าเพื่อนเนี่ย ก็ยิ่งจะเป็นการจมลงไปอีกด้วยอุบายของกิเล็บหลอกเา่าในเราพูดถึงเรื่องความเพียรหรือความทุกข์ความลาบากของครูของอาจารย์ที่ท่านมาแนะนาสั่ ง, งสอนพวกเราท่านต้องใช้ความอุตสาห์พยา ย, ยามจนกระทั่งได้เหตุได้ผลจากการพูดปฏิบัติเรียกว่ามีต้นทุนขึ้นมาภานา จ, จิตใจใจก็ตั้งหลักได้สติปัญญาก็พอคิดอ่านใจตรองได้แล้ว ตอนนั้นแหละที่นเป็นตอนที่เพลินเพลินต่อการถอนถอนกิเลสทุกประเภทไม่มีการท่อถอยอ่อนใจมุ่งหน้ามุ่งตาที่จะผอนถอนให้หมดจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยความเพียรก็เก่งไม่ว่าท่าไหนเก่งทั้งนั้นมิสฉาพยายามความพินิจพิจารณาค่าควรต่างๆละเอียดละออไปตามๆกันเรียกว่าสุขขุมไปตามๆกันไปหมด เพราะทำรวมตัวเข้าแล้วมีกำลังด้วยกันศรัทธาก็รวมวิริยะก็รวมลงไปในจุดเดียวกันทระห้ารวมลงนั้นอธิบาททั้งสี่รวมลงที่จะทุ่มลงภ า, าจิตใ จ, จที่เต็มไปด้วยกิเลสทั้งหลายนั้นยากก็เถิดอารมณ์คำว่ายากที่มีผล ปาปดดูภายในตัวที่เรียกว่ามีต้นทุนนั้นยากก็เหมือนไม่ยากหนึ่งแต่ก่อนเราไม่มีต้นทุนไม่ปาปดว่ามีทุนมีรอนอะไรค่าโดยกำปั้นมันก็ลําบากอยู่บ้างพอมีเครื่องมือมีต้นทุนบ้างแล้วถึงจะลํำบากก็เหมือนไม่ลําบากเพราะความพอใจมีสติปัญญามีพอต่อสู้ความภากเทีอนไม่ถอยหลังไม่ลดละจิตใจก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับลำดับ เป็นความสง่าผ่าเผยขึ้นภายในจิตใจดวงที่เคยอับเฉามาปรินลานานนั้นให้ประจักษ์กับกิดทองตัวเองนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติด้วยความทุกข์ยากลำบากด้วยความเพียรท่าต่างๆจิตโล่งภายในตัวส ง, งบพูดถึงเรื่องส ง, งบก็ส ง, งบส ง, งบเย็น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 ขอให้ได้ประกอบความภาคเพียรเป็นปสติกำลังความสามารถเป็นที่พอใจของนักปฏิบัติผู้หวังรู้ทำผู้หวังรู้แจ้งิงทีเนินธรรมโดยถ่ายเดียวเท่านั้ น, นผลสุดท้ายจิตที่เคยมืดดำมาก็เปิดเผยตัวออกมาให้เห็นเป็นความส่องสว่างขจย์แจ้งเป็นความอัศจรรย์ผู้บ้าสติปัญญาที่เคยมืดมิดปิดตา คิดอะไรไม่ได้ก็กลายเป็นสติปัญญาที่หมุนตัวออกมาด้วยลวดลายแห่งความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์คือพิเดทที่ทแสดงตัวออกมาทุกแง่ทุ ก, ทกมุมีเป็นเมื่อสติปัญญาเข้าขั้นนี้แล้วพิเดทที่จะต่างสมตัวขึ้นมาั่างสมกำลังนั้นลดน้อยลงไปโดยลำดับลำดับ จนสามารถพูดได้ว่าพิเลศไม่มีทางสั่งสมตัวได้และแต่สิ่งที่มีอยู่พิเลสที่มีอยู่ก็ถูกทําลายไปโดยลำดับด้วยสติปัญญาขุดค้นไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีเอียบทใดๆทั้งนั้นเป็นเครื่องจีดฟังความเพียรมีแต่ท่าแห่งความเพียรจะทั้งหมดหมายถึงสติปัญญาหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเอียบทใด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 นอกจากจะเข้าหลบซ่อนเข้าหลบซ่อนก็ต้องขุดค้นลงด้วยสติปัญญาเช่นเดียวกันเนี่ยที่ท่านว่าสติปัญญาอัตนมัติหรือมหาสติมหาปัญญานั้นคือขุดค้นไม่หยุดไม่ถอยเวลาไปเจิญเข้าแล้วก็ทันกันเขาเลยเรียกว่าตรูมบอนเอาจนเห็นเหตุเห็นผลจนกระทั่งถึงปล่อยวางละได้ในจิเลตประเภทนั้นเมื่อหมดประเภทนี้แล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรพน้น สติปัญญาขั้นนี้จะไม่มียอมไม่มีถอยขุดค้นอยู่อย่างนั้นมันอยู่ที่ตรงไหนค้นหาเหตุหาผลสอะ น, นั่นแสวงหานี้ขุดคุ้ยไปจนตากฏขึ้นมาพอปรากฏตัวกิเลส ข, ขึ้นมาปาั๊บจับเมื่อ น, นั้นอามันเข้าไปค้นคว้างเข้าไปจนได้เหตุได้ผลแล้วปล่อยวางการแก้กิเลสต้องแก้ไปเป็นลํำดับลําดับเช่นนี้ก่อน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 เลกโตขนาดไหนตัดด้วยปัญญาตาัดด้วยปัญญาขาดลงไปขาดลงไ ป, ลงไปผลูผ้ากไปลงเหลือวหัวต่อถอดหัวต่อถอน ห, หัวต้อนี้ถอดยากถอดยากแต่ถอดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพวดเตียงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเนื่องจาความทุกข์ความลําบากในการประกอบความภาคเพียงมามากน้อยเพียงไรเราจะไม่เห็นคุณค่าอย่างไรเราโมกกองทุกข์ทั้งมวลมากน้อยเพียงไร ซึ่งทับอยู่บนหัวใจได้ทาลายลงไปหมดเพื่ออำนาจแห่งความเพียรที่ว่าทุกๆด่างจากลําบาดทั้งหลายนั้นคุ้มค่าตายก็ตายแต่ถึกตายด้วยความทุกข์เพราะความเพียรนี้ไม่เสียดายชีวิตเพราะได้เห็นคุณค่าหรือได้เห็นผลของความเพียรเป็นอย่างไรบ้างาก็จับกับจิครั้งตนเองการบําเพ็ญเพียร ต้องเป็นผู้ไม่ท้อถอยมีอะไรพิจารณาการพานาจิตใจมืดเราก็ทราบว่ามืดเที่เหลวตัวจิตไม่เคยมืดคือความรู้จริงๆไม่ปิดตัวเองทุกขนาดไหนก็ทราบว่าทุกสุกก็ทราบว่าซุกมืดก็ทราบว่ามืดเนี่ยสว่างก็ทราบสว่างหนักเบาแค่ไหนผู้รับรู้รับอยู่ตลอดเวลาไม่ปิดกั้นตัวเองเลยผู้นี้คือผู้รับอยู่ตลอดเวลา ไม่ยอมอาภัพกับสิ่งใดทั้งหมดแมาจะถูกกิเลสลุ่มน้อมอยู่ขนาดไหนก็ตามความรู้อันนี้จะเด่นตัวอยู่เสมอรู้ตัวอยู่เสมอสมกับชื่อว่าผู้รู้คือจิตนี่แหล ะ, จะเจ้าพู้นี้ล่ะให้พ้นจากสิ่งเกี่ยวข้องหรือสิ่งพัวพันุ์ทั้งหลายมาเป็นอิสระภายในตัวเองเหลือแต่ความรู้ลวนๆนี้จึงต้องได้พิจารณา แก้ไขกันยากง่ายลําบากเพียงไรก็ต้องทําเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นใครทั้งหมดเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะการถอดถอนพิษภัยออกจากจิตใจแล้วเราไม่มีทางกล้าเดินออกจากทุกข์ได้เลยเช่นเดียวกับการถอนหัวหนามถอดน้ำถอด น, น, น, น้ำออกจากเท้าของเราการถอดถอนน้ำออกจากเท้าของเราเราจะถือว่าเจ็บปวดแล้วไม่กล้าจะถอดถอนนั้นแหละคือเท้าจะเสียหมด เพรหนักน้ำฝังจมอยู่ที่นั่นเป็นตัวเหตุสําคัญที่จะทําให้ท้าเรากําเริบ ม, มากมากกักองถึงกับเสียไปหมดเพราะฉะนั้นโดยทางเหตุผลแล้วจะทุกข์ลำบากทุกขนาดไหนต้องถอนจนได้ไม่ถอนนามนั้นเป็นไปไม่ได้นะทุกข์ก็ต้องถอนนี่แหละการบําเพ็ญเพียรน้นําคือกิเลสเป็นเครื่องเสียดแทงจิตใจยอยู่ถ้าไม่ถอนแล้ว จะเป็นอย่างไรการถอนหัวน้นาคือกิเลสด้วยความเพียรจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนต้องต้องทําโดยทางเหตุผลตายก็ต้องยอมเพื่อได้หนาอันนี้ออกจากจิตใจจะไม่ต้องเกียบแทงกันไป น, ะนานพูดถึงว่ากิเลสมีอยู่ทุกแห่งทุกผลมีอยู่รอบตัวของเราจะพ่ะ อ, อย่างยินเอารอบตัวนี้ส่วนภายนอกเราก็ยกไว้เวลาพิจารณาเข้ามาแล้วมันมาอยู่รอบตัวนี้ หรือไล่เข้ามาหาตัวของเรามันติดรูปติดเสียงติดตินติดรสสัมปัตสัมปัตพัสดุเป็นพัสฐานต่างๆนานามันเป็นกิเลสไปหมดเพราะจิตทาให้เปิดสิ่งเหล่านั้นเขาไม่เป็นกิเลสแต่จิตไปติดจริงใดแล้วก็ถือว่าสิ่งนั้นเป็นกิเลสเพราะจิตทาให้เปิดจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามสิ่งนั้นแล้วจิตจะได้หายสงสัยถอนตัวเข้ามาสุดท้ายก็มามีอยู่ในธาตุในขันธ์ของเราเนี่ยต้อมีทิยฐดมันก็ต้องถือตัวเป็นที่หนึ่ง ความรักความสงวนไม่ว่าอันใดเร่งเหนือความรักตัวสงวนตัวตไปมาได้เพราะฉะนั้นกิเลสประเภทนี้จึงไม่มีที่ก่อและจึงต้องเข้ามารวมตัวอยู่ในตัวของตัวจึงต้องมาไล่ที่คงนี้ไล่คงนี้ไล่ยากหน่อยยากก็ไล่เพราะเข้ามาคงนี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันกับข้างนอกนมันก็เป็นเสี้ยนเป็นหนามเหมือนกันเป็นพิษเป็นพายเหมือนกั น, น, น, น, กนต้องไล่ไล่ออกถอดออก ด้วยการพิจารณาเรื่องขาดเรื่องขันแยกแยะดูให้เห็นตามความเป็นจริงทุกแงกทุกมุมพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเป็นพื้นเพของจิตได้อย่างชัดเจนว่าสักแต่ว่าท่าสักแต่ว่าขันหน่ะเราพิจารณาให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วเป็นอย่างนั้นสักแต่ว่าสักแต่ว่าเมื่อลงถึงขั้นสักแต่ว่าแล้วจะไปถือมันได้อย่างไรท้อปัญญาหวานล้อมไปหมดแล้วปัญญาช้ำระไปหมดชะล้างไปหมด มนตินคือกิเลสที่ไปติดทันอยู่กับสิ่งใดความต้องการั้นหมางจนไปเกี่ยวข้องไปติดทันอย่างนี้ที่ตรงที่ตรงไหนสติปัญญาชะล้า ง, ปปงไปหมดแก้ปลดเกลื่อนไปหมดกันหมดโดยําหนักลำหนั ก, นกสุดท้าตก็มาจักแต่ว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปไม่ว่าอาการใดที่เต็มอยู่ในร่างกายของเราที่ให้นามว่ารูปนี่ก็สักแต่ว่าเท่านั้นไม่ยิ่งกว่านั้นไปเลย แต่ยิ่งก็ได้ยังไงเมื่อจิตไม่ส่งเสริมให้มันยิ่งจิตเป็นผู้ส่งเสริมจิตเป็นผู้กดทวมตัวเองต่างหากเมื่อสติปัญญาพิจารณาตามหลักความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จริงของมันเขาเรียกว่าสักแต่ว่านะเมื่อสักแต่ว่าแล้วจิตไม่เห็นสิ่ง น, นั้นมีคุณค่ามีราคาพอที่จะไปยึดไปถือแล้วจิตก็หายต้หงบรูปก็สักแต่ว่าถึงยังเป็นอยู่ก็สักแต่ว่าเนี่ยตายไปแล้วเปล่มันก็สักแต่ว่าความเปลี่ยนสภาพของมันเท่านั้นเนี่ย เนทธนามันเกิดขึ้นมาก็สัตว์แต่ว่าสลายลงไปก็ตามสภาพของมันตามสภาพของมันทุ ก, ทกอาการทุกอาการเป็นันดั บ, บํะดับไปผมจะท้าจิตที่เรามีความน่าความสงวนอย่างยิ่งด้วยอำนาจแผงชี้เด็ดประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเกาะอยู่ในนั้นแล้วก็พิจารณาลงไปท่านจึงเรียกว่าพิตารุปปัตนนนี่นั้นจักระทาจิต คือให้เป็นสภาพหนึ่งเช่นเดียวกับสภาวัธรรมทั้งหลายยาถือจิตนั่นเข้ามาเป็นตนแยาสมพันธ์จิตก็เป็นต้นยาถือจิตก็เป็น ต, จตนจะพิจารณาไม่ได้พรอบความรักครอบความสงวนกลัวว่าจิตจะเป็นอะไรกลายไปเสียเนี่ยก็มาสงวนตรงนี้จึงต้องพิจารณาตามเรื่องที่ท่านวอกจิตตาโนปัสนาพิจารณาลงไปให้เห็นแต่ว่าจับแต่ว่าจิตคิดก็เห็นแต่สับแต่ว่าคิด ตรงขึ้นมาดีชั่วศักดแต่ว่าคิดว่าปรุงแล้วก็ดับไปดับไปนะมันศักดิ์แต่ว่าศักดิแต่ว่าจนทั้งถึงหน้าฐานของมันหน้าฐานมันคือคือกิเลสชนิดละเอียดที่สุดอยู่ภายในนั้นแต่มันอยู่ในจิตเราไม่พิจารณาจิตเรามันไม่ได้เราจะส่งวันจิตว่าเราพิาจารกกิเลสประเภทนี้มันไม่ได้เอก็เหมือนกับโจรมันเข้าอยู่ในอุโมงค์เนี่ยเราจะเสียดายอุโมงค์ไม่ได้ ต้องระเบิดหมดทั้งอุโมง์นั่นอ่ะให้มันแตกกันหมดหรือว่าไงนี่ก็เหมือนกันระเบิดเข้าไปหมดเลยตรงนี้อุโมงคือจิตนี่อ้าวถ้าจิตเป็นผู้จริงจริงๆทนต่อการพิสูจน์ทนต่อความจริงจริงจิตจะไม่ชิพไผ่จะชิพไผ่ตั้งแต่จริงที่เป็นสมมุติท่นั้นธรรมชาติตัวจริงของอุตมทแท้จะไม่อะแล้วอะไรจะเป็นอุโมทคำว่าจิตจะเป็นนอุโมทอ้าวถ้าจิตยังสามารถจะเป็นอุโมทได้ ทนต่อการพิสูจน์ทนต่อการพิจารณาทุกอย่างแล้วก็ให้จิตจิตก็คงจะยังเหลืออยู่อันใดที่ไม่ทนต่อการพิจารณาอันใดที่เป็นสิ่งที่จอมปอมมันจะสลายตัวของมันไปี่จารณาลงไปที่จิตมีชั่วเกิดขึ้นแต่แยกแยกแยกแยกไปภายในจิตท่านั้นดับไปก็ไปที่จิตแน่หันมุ่ไปที่หนามไปเอาจิตเป็นสนามล็กที่นี่ เราเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นอรรถเป็นสนามรบพิจนาด้วยปัญญาฐ่านเข้ามาจนกระทั่งถึงเอารูปไปพนาปัญญาตังขานอินยามเป็นสนามรบพิจรณาจนรู้แจ้งจริงๆ้วปล่อยวางปล่อยวา ง, วางตามจริงอ้าวที่นี่พิเลศมันไม่มีที่ซ่อนเอวิ่งตัวเข้าไปอยู่ในจุดเดียวเอะคือจิตเอากิตเป็นสนามรบอีกฟาดฟันลงด้วยปัญญาหันแหลกลงไป โดยลำดับดาดโดยไม่มีข้อแม้ไม่มีพ้อดกเว้นว่าจะสงวนอะไรไว้เลยอ่าอันใดที่ปรากฏจะพิจารณาให้มันแหลกไปหมดถ้ามันเข้าใจไปหมดนั่นสุดท้ายที่เลสก็ทนตัวอยู่ ไ, ได้กระจายออกไปหมดนั่นของกรอมต้องสลายตัวไปของจริงอันนั่งเดินแท้ได้จากจิตก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทืบขึ้นมาหาความสลายหาความที่หายไปไม่มีเลย นี่แหละคือความเกษตรแค่เราชำระเพื่ออันนี้อันธรรมชาติแท้นี้ไม่ตายไม่คิดหายถึงจะถูกพิจารณาขนาดไหนฟาดฟันลงไปด้วยสติ ป, ปัญญาขนาดไหนก็ตามแต่สติ ป, ปัญญาจะฟาดฟันจิตให้แหลกละเอียดจนชิบหายหมดนั้นเป็นไปไม่ได้น่นสุดท้ายก็จิต บ, บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพอจิต บ, บริสุทธิ์เต็มที่แล้วปัญญาก็ ค่อยหมดความหมายหรือหมดภาระหน้าที่ขงตนไปเองไปตามหลักธรรมชาติของสติปัญญานอกจากเราจะนํามาใช้ในการตามการต่างเวดาในแง่ต่า ง, างๆหรือภุระหน้าที่ต่างๆเท่านั้นที่จะมาแก้มาทําลายกิเลสขึ้นมาถอดถอนกิเลสด้วยปัญญาัำที่เกยดขึ้นมาแล้วมันไม่มีกิเลสจะถอตถอนก็ไม่ทราบจะปัญญาจะมาถอนอะไรต่างอันต่างหมดหน้าที่ของตัวไป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 เมื่อพ้นจากความติดข้องแล้วมันก็เป็นความหลุดพ้นที่เรียกว่ามืดเท้งนั้นดูหเหมือนลดมาติดเิเพียงเท่านีน้มันเข้ามาขึ้นเะใช่ไม